ตลอดไปหรืออย่างไรเราจะต้องยอมหรือเก็บเป็นเก็บเกะเป็นเกะตายเป็นตายหรือเอาความเก่ความเก็บความตายเป็นทุกข์หรื อ, อ, ب, รอมีทางที่ศึกษาได้หรือไม่ลองเจ้ชีวิตของเราศึกษาดู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 ผู้ใดเห็นปฏดิจา่าสมบบาทพวกนั้นเชื่อว่าเห็นธรรมคืออะไรอยู่ที่ไหนมีสูตรสูตรก็คือนี่เรากาลังศึกษ า, าอยู่นี่ทำอยู่นี้กายกายานุปสิวิรัติไม่ชติไปในกายเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนที่จะเกิดพทะเจ้าขึ้นมา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 มาให้เราศึกษายอ่อเข้ามานั้นแผนที่โลกยอ่อให้เราดูใกล้ๆอยู่หน้าจอแล้วก็ดูออกว่ามันคืออะไรมันแสดงอลายแสดงความทุกข์ให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นแสดงความหลงเห็นอย่าเป็นให้เห็นให้ลู่เห็น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 เมือนกเราเห็นกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันเบาๆเราเห็นอยู่เบาๆดีๆจะเอลดักทึบเข้ามาเนี่ยมันรู้จึกสัมผัสได้แล้วก็หวังเห็นซะอย่าเป็นซะจิตจะเป็นอย่างนั้นเห็นไม่เป็นสุขก็เห็นวันสุขไม่เป็นสุกทุกข์เห็นวันทุกข์ไม่เป็นทุกข์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 เป็นเกิดเป็นเจ็บเป็นชีเป็นตายอยู่ลักษณะแบบนี้ได้เห็นเลยจะคุ้มกันเนืดของวกของชาติได้ง่ายๆแบบนี้พลังนํำหนักก็จะไม่มีเบาๆความผัดความเบาสวามผัดความดักจะให้เราได้บทเรียน ที่ประสบการณ์บทเรียนที่เกิดขึ้นกับเราเองเราก็จะได้สัมผัดสผดับ <c oughs> บัดความหลงสัมผัสความไม่หลงสัมผัสความทุกข์สัมผัสความไปทูก นี่คือบทเรียนที่มีค่าบทเรียนที่ไม่ต้องมีคำถามเป็นคำตอบอืมก็นวดนะฮะก็เป็นอย่างนี้นะมันใช้งานมันค่อยสะดวกอืมอืมอนี่นะ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 ในความหลงไม่ความรู้ไม่ชิดหลงเป็นหลงไม่มีใครทําไม่ได้ในความทุกข์ในความไม่ทุกข์ทำได้ทุกคนในความโกรธในความไม่โกรธเราทำตรงนี้ทํำยังไงก็ได้ทําเล่นๆก็ได้มีสื่ที่มันหลงไม่สื่ที่ไม่หลงมันทุกข์ไม่สื่ที่ไม่ทุกข์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 สภาวะธรรมต่างๆเขามีความไม่เที่ยงความไม่ทุกข์ความไม่ใช่ตัวตวนครอบครองไม่ว่าอะไรในโลกนี้ที่ว่าสามันลักษณะแต่มเมือกันหมดพวกเขาแน่น้ำต้นไม้อากาศชีวิตของเรายิ่งตรงๆเขาเป็นเรื่องนี้โดยตรง <c oughs> ไม่มีใครห <c oughs> ลีกเดียงได้นี่แต่เราเห็นแจ้ง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 ในเด้ข้ามสักทีเลยมันบอกลองหลองเทศของจริงมันบอกเจอทุกคนบอมีสติไปในกายก็เห็นเรื่องนี้แหละอย่าเอายากอย่าเอาง่ายอย่าเอาผิดอย่าเอาถูกถ้าทำยากายากท็ทาถ้าทำถ้าทำยากก็หยุดถ้าทำง่ายก็ทำให้ความยากความง่าย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 คิกก <c oughs> นนเดเราม่ก็ยังเดียวกันรูปนามขันธ์ห้ถ้าฉีขันธ์ห้าจะหลงตรงตายตรงเวทนาตรงกิจที่มันคิดตรงทำก็งรรัวงอหอนอนเป็นธรมมรมรมวมคิดสงสัยเป็นธรรมรวมสงบเป็นธรรม ความพุ่งส้าเป็นธรรมตารรมคนละอย่างมั่นก็มีมีรสชาติเ <c oughs> ต้าโมเหงาห่อนอนก็มีรสชาติแต่มายิ่งใหญ่ความหังเล่ห์สงสัยก็มีรสชาติเอิดนเปิดในความเมาๆอยู่นั้นกับความคิดลังเลสงสยัย ไม่มีการกาะเกิดขึ้นหาคำตอบจากความคิดทําไมทําไมทําไมทําไมมันจึงหลงหลงก็หลงหน้อ ย, อยแต่เราว่าทําไมทําไมมันหล ง, ลงทําไมมันเป็นอย่างนี้นั่นคือว่าเ <c oughs> จ๋อเวลาถ้ามีคำว่าทําไมผู้เจริญสติตมีแต่หนึ่งสองหนึ่งสองเข้าไปเลยล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 ประเทศสรันฟรีเวเขามีตัวประเทศนกนั่งก็นั่นที่วิ่งฟรีเวรถบรรทุกตัวโดยสารนั่งไม่ได้เดินไม่ได้วิ่งไม่ได้ทำให้วิ่งทางเช่นนี้เป็นทางฟรีเวเฉพาะรถนั่งไปทางานหน้าัทีสิบอันทีกำหนดได้ ตอนไม่เที่ยงไม่เทีกยงตรงกำหนดได้เพราะมันเป็นฟรีเวยน่าจะฐานการเจริสิก็เป็นฟรีเวยสะดวกที่สุดสะดวกในการผ่านนะผ่านมันหลงรู้ผ่านแล้วเราความหลงไว้หลัง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 มันก็ดีเปื่อไสมธาธแต่ว่ามันตาอยู่ตรงนั้นไม่มีปัญญายังมีกิเลส ต, ต้นหาม่ความโกรธควโลภความหลงอยู่ออกจากความสงบแล้วเหมือ น, นเดิมเตนเรามาเพิกนี่เป็นวิปัจนามันสงบเห็นมันอ่ะไม่ไปอยู่ในความสงบเรียกว่า วิปัจนาฯยกกิจขึ้นรู้สู่วิปัจนาภพคือรู้จะปั๊บได้พิปัจนาเลยได้กระแสแห่งพระในผ่านเลยรู้มาสงบรู้อันพุงส้านรู้นี่คือสู่วิปัสนาญาณอาวะที่รู้ที่แรกกับรู้เฉยๆต่อไปจะเป็นญาณปัญญา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 <c oughs> มือมเกิดหมดจนเกิดย้อนขึ้นบุปเปนเน็นหวาสอนุสติยาอนเฉลอยขึ้นหลังแต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้วันนี้ไม่เป็นอย่างนี้หลงเป็นหลงวันนี้หลงเป็นรู กิเลเป็นสิเลสปันหาเป็นตัญหาราคาเป็นราคาปุงจนหมดตัวปอมันเห็นมันไม่เป็นแล้วมือตัออออืออือเี่ยววิปัสสนาเกิดขึ้นอืต่อมาป ต, ต, ต, ต, ตุตุปัจจยานเดี๋ยวนี้กิมันเป็นอยู่ตรงไหน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 ตบดอดไม่เหมือนเก่าพ่นภาวะเก่ามาด้วยการกระทาของเราเองเนะถ้าไมา่จะตบไม่ได้นั้นบ่งบอกถึงภาวะถ่อมที่เกิดขึ้นต่อมากย่อนที่สองเกิดขึ้นะะว่าอรรวรขยาอนทำให้ชิ้นไปจะมีรสชาติเหมือนมเมื่อก่า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 ทำให้อาสะวะขยานชิดไปไม่มีรสชาติเที่ยงว้ก็ไม่ไปหยุดเช่นั้นให้หลงเจ้าหน่อยได้ไหมให้โกรธเจ้าหน่อยได้ไมมบังคับไหนก็ไม่มันคมขื่นชีวิตมันเป็นไปไม่ได้จะให้ไปโกรธให้ไปถูกไปทุกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลย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 ความพอใจเป็นลสของโลกความไม่พอใจเป็นลสของโลกมีสดถถมมิถอนออกมาถอนออกมาในสติดตั้งอยู่ในสุขถอนถออกมาในทุกถอนถออกมาไม่อะไรที่เป็นลสของโลกต้องหลายทั้งหลายเป็ดหมื่นสีพนอย่างมันมาให้เราได้รูปคำมันสองพันเอาแถวมาให้เราได้เห็น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 ก็สะดวกไปแล้วสะดวกแล้วไม่มียานสามไปขึ้นสะดวกเหมือนเราทำมาในการอะไรสะดวกเป็นความสะดวกในการศึกษาเหมือนรถวิ่งทางเปียวไม่มีจราจรติดขัดก็สะดวกวิ่งเราวิ่งเอาวิ่งเอา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 ในความไม่เที่ยงในความบรรทุกในความเช่ตัวตนนะพอให้เอียงมากสะดวกมากแต่ก่อนในความไม่เที่ยงหนักมากในความบรรทุกหนักติดขัดมากพอมาเห็นแค่ละมันมีน้ำหนักเป็นมรรคเป็นผลตรงนี้ขึ้นมาจากนัก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 ฝึกตนสอนตนเนาะมันก็มีรถมีชาตินะมันพูดธรร ม, มนะเน่เดือรเวลาแล้วนะล <c oughs> ำแขวนใจเวลาแล้วนะ